หลวงป๊ะยกครับที่นอกจากนี้ของตอนอังกฤษ 25 อธิษฐานทับรองด้วยความปฏิคขึ้นทําหลักสมมุติให้การบวชจะสามารถปรองการปฏิบัติอ่อจึงเห็นให้ขาดสถาบันเพื่อความใสนี้ขึ้นมาและอาไปต่อผู้ใดๆผู้ยินปริยาที่แสดงออกความท่านอันนี้เรียกว่า ก่อนตรงความความประพฤติไม่ตรงไปตามหลักธรรมวินัยซึ่งเป็นของจริงอันเป็นส่วนที่จะทําเผ็ดของพระให้แนบกันถึงแนบแน่นไปเลยครับครับเพราะอย่างยิ่งการปฏิบัติกรรมฐานสติภาวนาเป็นจริงเป็นสิ่งจําเป็นของพระแท้ที่จะเป็นชีวิตจิตใจงานนี้เป็นงานของพระมนต์ธรรมานุศาสนาภิราช เกี่ยวกับโครงการทางมหาลัยหาเรื่องชีวิตเป็นงานจําเป็นของเขาตลอดบังคับเพราะถ้าขันธ์มีความต้องต้องการตลอดเวลาไม่ทํางานไม่ได้ไม่มีอะไรจะอยู่ไปกินไปตายทั้งหมดคนละเพราะฉะนั้นงานที่เป็นของจําเป็นไปตามร่างกายที่มีความบกต้องต้องการตลอดเวลาในสิ่งอยากๆทั้งหลายที่เรียกว่าปัจจัย 4 เพื่อมันมีหนอาการนี้เป็นไปทางของกาขนี้ทางที่เดินในตาทวน มันดำเนินกันเป็นระดับปริยัติสมภาคจากพระบรมญาณของตนเคลื่อนไปไหนก็ยุ่งงานที่ไม่ใช่งานที่มหาเก่านั้นคือไม่ทันมันหลอกต่อสึกที่ทันไม่ยอมเก่าก็ไม่หาทันบรรยากาศมันก็มันสับสนอย่างชัดเจนบรมบอกท่านก่อนวันเริ่มมันประชาเหมือนบอก บ่งานให้โดยเกศาลงมาณคาทางสาติบรรดาประตูประตูด้านซ้ายคาโดมาเกศาอนุโลมประดุมคือด้านหน้าด้านหลังเพื่อการตรวจทวนให้เรียบร้อยการที่เกิดน่ะเกศาเป็นเช่นใดผมก็นิยมผมภาคคณะเป็นของส่วนของงานทางความสมมุติของนิยม แต่ต้นทางตอนมุมเรื่องของโลกที่เกิดไปเพราะความสำสนสงิเลฏฐณาสวะท่านทับสินด้วยกันแต่พระพุทธเจ้าทรงกลับกระตบมีความตรงข้ามวิญญาณนี้เป็นของแม่ส่วนแม่นางที่เกิดที่อยู่ก็อยู่ในที่ประกอบส่วนในที่ประกอบสงเป็นอยู่ในความประกอบตลอดเวลาต้องหาต้องล้างไม่พอไม่ล้างไม่ได้ ก็กุกคนเหมือนกันคืนนี้ประคองปณิธานด้วยในทางอามียังขยักขะเหียกไม่อยากละทานพระเจ้าขอต่อให้ดูโลกนามเจตสาลงนามนี้ให้ขณะใสคืนกันนะที่เกิดที่อยู่เหมือนกันกันจะทั่วๆก็มีอยู่นามนี้อยู่ทั้งฮาวให้เหมือนผมที่อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นมันคือกัน มันครับที่เจอนะเดดเดวิสที่เก็บ 1 ตัวกระปกของข้อนั้นอีกนอกจากสถานที่เกิดที่ดินตลาดถึงตัวของและเป็นกระป๋องกระปกของเตะต้องตัดต้องหาสงลางูของกระปกก็แค่นี้ฝายเล็บมีบาทนี้ อะไรเกี่ยวอย่าให้มันมันร่างความเคารพตกมันตัดออกเพื่อสถานะของสกปรกที่เกิดอยู่ในท้องเล็บมันออกดอกอย่างนั้นก็มันลําบากโรคมันย่ําค้ําเอาเล็กนะให้เล็กยาวยิ่งก็เล็กหมานั่นที่แต่ว่าตลาดนั้นนะก็ของสกปรกถึงตายก็มีนะเล็กนั้นมันมีเกลดอยู่ในนั้น มันเป็นนิยมออกให้อันปยานะนิยานะก็พอผิดมีสีกันนั้นนะกิเลสสติใจอือพวกกิเลสมันตื่นนะปกติมันก็ตื่นแล้วพี่มันจะนอนไม่ออกแล้วทําทับผ่อนนิดหน่อยเพราะงั้นกิเลสประเภทหนึ่งทับผ่อนประเภทหนึ่งก็ออกเกี่ยวเส้นทางว่ากิเลสมีหลายประเภท ที่ตัวนั้นเรื่องนี้มันเป็นพันแค่เวลาฟันตาฟันนะพี่นาพี่แม่ตาแม่ตาที่ไหนนี่ก็ก็ตกของท่าตรงล้างให้เค้าทั้งยืนรีบไปล้างกันก่อนท่าของล้างวัน 2 วัน 3 หมดพอฟันก็คือกระดูกนั่นเองคืออะไรก็คือมีกระดูกที่นี้เค้าเรียกว่าฟัน เธอคิดอยู่มันก็ประกฏพิจารณาเห็นภัยเพราะฉะนั้นความทุกข์นี้กับปานที่ที่ปวดฟันมันต้องและความทุกข์มากๆนะพี่น้องเห็นความกินของมันมีต้นที่พิจารณาการทําหนุ่มวันนั้นน่ะดีต่อไปมันก็ลงถึงความดีนิดนึงทําตนความมันเป็นที่ที่ยังมีรูปมันก็ตกให้อาหารนี้ใครจะอยากให้ทํา การเป็นของอาหารของเป็นน้ําหน้าโดนน้ําฝนแล้วอาหารที่ถูกฝนนี้ตกลงไปถ้าเขาแล้วเป็นมันน่ารักความมั้ยล่ะนะนี้ก็ดูไม่ได้เยอะทักๆปัจจัยอีกอย่างที่สําคัญคือบางๆข้างนอกไม่ได้หนาเท่ากระดาษเลยเครื่องห่อตา นะก็คือเมื่อวันนี้บางก็ก็มีสงแต่งงามมันก็เป็นไปได้มูลด้วยผืนนั้นผืนที่ใครเอาจะนี้หมดมันก็ต้องพากกันล้างเช็ดถูกันหลายมันก็โยมหลายโตก็ทั้งมากนั้นก็คนทั้งคนที่เป็นคนผัดเป็นเลยก็อาศัยหนังตะกะพยัญโตหนังนี่เนาะบนในร่างกายนี้ พอเป็นคนเป็นตาถ้าผ่าเล็บหนังนี่ออกเกลือแล้วเป็นไงจะดูกันได้มั้ยนี่กรรมะวัยวานแล้วก็ดิ้นตามเป็นดีๆดีๆแรงก็เกลี้ยงก็ไหม้คงเห็นละเข้าทีแล้วหายากเกิดแล้วนี่ผิวหนังทั้งปกปิดไว้หนังเป็นที่ตั้งพันธุ์เพื่อรักษาเยื่อเมือกถ้าตามอะไรวานแล้วเนี่ยเราไปเป็นอาหารว้างเหมือนกัน มันก็มันมันนะเพียงนานๆก็คลื่นคลื่นเข้าไปข้างในได้ไงนี่ยิ่งไปดูโคโลส่วนมันมันเป็นทั้งนี้คือเข้าไปข้างในเท่าไหร่ก็ยิ่งของเป็นของตัวเองก็ไม่รู้ไม่ได้เลยถ้าต่างคนต่างมีหนังเดินมาหากันดูได้มั้ยพิจารณาดิมันยิ่งไปได้อะไรนี่แต่ของปกปกทั้งมวลอยู่ข้างในยิ่งมามาก็ต้องเป็นของประกอบนั้นจราของของนางยิ่งมามาไม่ได้อันนี้การที่เราไม่ปัญญานี่นะ พอถึงประสบแล้วท่านก็หยุดให้พอหมอบกำลังของที่เลื่อนได้เริ่มประกินให้สมถาญาณอันเป็นหลักสำคัญบุญน่ะฐานะนั่นที่หลักฐานอันสำคัญกรรมกับคุณงานมันเป็นหลักสำคัญประจำชีวิตของพระยังที่เป็นลา้อนหน้ากันหลังบางครั้งคลาดนานที่ท่าน มูลค่ามันถัยมันแรกละเอียดมันก็ควรจะทําปักดํานิดนึงเกี่ยวกับว่าคนอื่นมันละเอียดละละเอียดมันก็ไม่มีอันนี้ก็ที่เวลามันแรกละเอียดมันซึ้งไปซึ้งไปความซึ้งประมาณนั้นน่ะคือผลพิจารณาเท่าไหร่ยิ่งเป็นความมิตังก็ซึ้งปฏิปูรณ์ก็ก็ซึ้งทุกขังอะไรต่างมันก็เป็นเหมือนหลังเป็นประโยคใหญ่โตของคนที่มาหลงน้ํากัน ดูหน้าผิดข้างในออกมาข้างนอกนี่น่าดูมั้ยมันก็ดูเข้าไปนี่ลืมกันไว้เด้อเส้นตัวเองเมื่อหลังเป็นเครื่องขัดทานแล้วก็ทําให้สภาพตาผ้าตามองไม่เห็นคิดเห็นแดงมองเห็นความผิดหน้าที่จะคําถามก็คือถ้าตลกหนังนั้นมันจะเป็นอย่างไงที่เลขหาใครไปยืนดู ถ้าก็เป็นอย่างนั้นคนก็เป็นอย่างนั้นยิ่งก็เป็นอย่างนั้นค้าก็เป็นอย่างเดียวกันไม่ว่าเด็กเนี่ยผู้อยากเดินมหาการมีเรื่องแก่งูที่เย็นบริเวณปกคอมันหนาวมันหนาวเห็นดูมันได้อภิกขณะกันน่ะนะที่นานผมก็ทําอย่างงี้ผมทันใจนี่มองนานให้ย่อๆไปก่อนไปตั้งทั้งทั้งทั้ง 2 ของงาน หาสิ่งนี้คิดได้สิ่งหนึ่งก็ตามซึ่งถูกกับตรินิสัยแต่ของการพิจารณาเราเมื่อพิจารณาแล้วมันไปแล้วมันก็จะวิ่งวิ่งถึงทั้งหมดตลอดอาการทั้งหมดต่อเมื่อมีสิ่งใดมีนึกต่อก็จะพิจารณาไปได้เลยเป็นงานสําคัญงานนี้เป็นงานของพระเป็นจิตวิญญาณพระอันจําเป็นของพระแท้งานหาสิ่งนี้สิ่งใดประการ ที่เป็นให้ทํางานอันนี้เดินก็ให้เดินทํางานนั่งก็ให้ทํางานยืนนอนยื่นตลาดนี่ทํางานอันนี้แบบเถิดไถไปที่อื่นที่ใดซึ่งเป็นการพรากจากงานมือความไกลน้อยหรือความประหมักเผื่อกติกาทําหน้าทํางานแล้วไม่หวังเอาผมไปเดือดจากงานอีกได้ นอกจากผลประโยชน์การงานที่เราทํานี้เท่านั้นคุณหมักว่าอีกระดับนึงการพิจารณาในอาการได้ประการมันมีนับเต็มรอบไปเรื่อยๆติดเพราะฉะนั้นมีแค่ในตลอดเวลาเหมือนอย่างที่เขาบอกขอออกครอบไปก่อนมันถ้าพิจารณาจนหมดตั้งแต่ที่เริ่มเวลาพยายามตลอดสายไม่มีกรรมประกันละความพยายาม <c oughs> มันไม่เคยเหลื่อมหน้ามาหน้าที่กิเลสนี้ทั้งมันไม่เคยเหลื่อมหน้ามันแค่ทุกข์ผลทุกการทุกเวลาแม้แต่ขณะทําสมาธิตอนนั้นมันก็แค่มันคอยจะปล่อยเวลาเผื่อยังไม่เผล่มก็รอให้เผลอต่อพอเผลอมันก็ต่อเรื่อยใครจะไม่กิเลสมันโง่อ่ะกิเลสมันตลาดเหนือโลกมันถึงไม่ครองโลกวัฏจักรมันเป็นราฐานวัฏจักร มันทั้งทั้ง 3 ข้อนี้นี้ที่เด็ดขอบอํานาจทั้งหมดเวลาเราพิจารณาอะไรที่เป็นกระท่อมแท้ซึ่งกําหนดลมซึ่งอนาปานายาสติเป็นต้นกําหนดลงว่าที่ใดจุดนี้เห็นว่าลมสัมผัสมากกระเทือนเด่นแท้กว่าเพื่อนเคลื่อนบ้างเป็นต้นเรากําหนดจุดที่ตรงนั้นไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกไป ให้ถ้าเป็นคนก็ให้รู้อยู่ที่แต่เดิมคนเข้าเข้านี้คนอ่อนก็รู้แต่ไม่ตามเข้าไปไม่ตามออกไปให้กําหนดรู้อยู่ด้วยความไม่เถอยกติลมัณฑนาเป็นเครื่องขุมะจิตให้กระล่อมกระแสเข้ามารวมตัวเมื่อจิตกระล่อมกระแสเข้ามารวมตัวแล้วมันก็เด่นพับขึ้นมาความรู้สึกความรู้สึกนั้นเด่น เดิมมีที่ที่กันนี้นั้นก็มีความสว่างเท่าไหร่มีความปกไหลเด่นดวงเพราะกระทั่งถึงดวงโศกมานี้ด้วยอานาตของหน้าตามันสิคืนลงขึ้นเรานำมาปรึกษ์เพื่อชีวิตของใจโดยที่จะเป็นผู้ควบคุมมาเพราะฉะนั้นการที่รักระงบกิเลสแต่ๆคือว่าถ้ากําหนดกําหนันนั้น เดี๋ยวจะเกิดความสัมพันธ์ขึ้นมาว่ามีแต่ก่อนระกําหนดลมที่ด้านจมูกนี่เป็นที่เหมาะสมแต่คํานวณพํานันเข้าไปประหนึ่งว่าด้านจมูกนี้จะสูงไปได้ต่ําลงไปเหมือนคือเหมือนกับไปอยู่ประเด็นนาทีเหมือนกับพ้นร่างกายมันไปที่ที่แห่งที่ใดนี่ก็มาตั้งใหม่เนี่ยโนอยู่ยึดตั้งลมสูงไปให้ตั้งลมต่ําไปตั้งใหม่ตั้งใหม่อันนี้ใช้ได้ล่ะ ก็มีการตัดตัดตรงนี้ลงเพราะเมื่อลมปรากฏอยู่ก็อยู่สูงอยู่ต่ำเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาความสูงความต่ำแต่มาปฏิบัติเพื่อให้รู้เรื่องของลมด้วยความมีสติจิตกายติดต่อกับลมนี่ทั้งหมดมันจะสูงจะต่ำไปไหนก็แสดงว่าเราทํางานไปโดยตนอยู่ต่ำแล้วก็ทํางานทําหนักรู้อยู่อยู่สูงลมก็สูงเราทําหนักรู้อยู่กับลมมันไปไหนก็มีปักนั้นเอง มันยาติดอยู่ในคณะติดหลังปลามันจะไปไหนทั้งไปสมรรคสติอยู่หลังมันแล้วเดี๋ยวคราวนี้มันกําลังลากขึ้นมากันหมดเพื่อก็ติดคณะอยู่ด้วยอนุก็เหมือนกันติดเหมือนกับคณะไอ้สิวานสติก็เหมือนกับเครือกมัดกันไว้นะดับลง นี่แต่อาการอื่นก็เหมือนกันนะเรายกลงขึ้นมาพอเป็นอิสระเทศเพื่อให้ทราบถึงเรื่องการพิจารณาในอาการไหนก็ตามมันจะมีกิเลสมาหลอกไปสิงไปสั่งไปล่อไปนั่นไปเลยเราเคยเป็นมันผมเคยเป็นแล้วมันมาตั้งตั้งมาเลยไม่ได้เรื่องนี้นะครับพอหลังก็ปัดเถอะมันจะเป็นยังไงก็ตามมันจะลงไปขาดศูนย์พยานาคนั่นเราก็จะตามตั้งแต่นั้นขอตั้งแต่เรื่องที่เราพิจารณาเนี่ย ปรากฏท่านท่านอยู่กับติดเถิดนี่มันจะเหาะๆหิเดินฟ้าขึ้นถนนเราเป็นที่นาอยู่บนฟ้านะไม่ไม่ยอมตอดอาการที่เราได้จับเสร็จแล้วได้เห็นหญิงไม่รู้หญิงในขณะที่พิจารณาแล้วมันก็สงสัยต่ํามันรู้กันอยู่นี่ไปไหนไม่ทราบขึ้นไปไหนเราไม่ภาวนาเอาสงสัยมาทํางานพอแค่นั้นน่ะก็ได้ทําหายังไฉนจับกบตรงนั้นไม่ตอดเป็นในนั้นกําหนดให้ไม่ถอยได้ขึ้นที่ติดชื่อประจายประจาย รู้สัตว์เข้าทัพเข้าทัพเข้าเกิดความอัศจรรย์ร่างกายก็เห็นเห็นไม่ชัดเจนอย่างงี้นี่แม้นั้นเองก็ถูกเพราะว่าเห็นชัดเจนนั้นมันไม่หมายถึงว่าจะต้องไปนับขึ้นนับลงนับอะไรคือมันกระจัดร่างกายส่วนต่างกระจัดพานะใจจุดนั้นเกิดความสาดขึ้นในขณะที่เห็นร่างกายในวงปฏิบัติผิดกันกับความหมาย เป็นได้ความหมายเป็นอย่างหนึ่งเป็นได้ความจริงเป็นอย่างหนึ่งที่กล่าวนี้คือเห็นได้ความจริงที่แรกก็เป็นความหมายเพื่อการตั้งหมายเอาไว้กําหนดเนื้อกําหนดเนื้อตรงไหนกําหนดตรงนั้นก็ก่อนเป็นความหมายเอาไว้เป็นทั้งยาก็ถูกเพราะจับมันแน่นดันเข้าไปโดยลําดับลําดับไม่ยอมปล่อยเหมือนขณะเสร็จหลังตาแล้วมันก็ปังมันปังที่พิจารณาจนกระทั่งคลายตาลงเพราะนั้นที่การพิจารณาร่างกายนั้นมันไม่ <S EN K> ทั้งทั้งที่ลังกาก็มีอยู่และทั้งครั้งที่เราก็พิจารณาร่างกายอาการและธรรม 1 ของร่างกายแต่ขณะนั้นร่างกายมันประกอบด้วยหาลืนเนื้อลืนตัวแต่จิตไม่ลืนอาการที่กําหนดที่พิจารณาอยู่นั้นไม่ยอมก่อนี่ถูกต้องให้จําเอาไว้นะปฏิบัติข้างหน้าอย่าไปกําหนดเรื่อยกําหนดเล่ามันไม่ถูกนะเหมือนกับต้นไม้พอมันจะขึ้นมันก็ย้ายพอมันจะขึ้นย้ายแล้วมันมีทางขึ้นเนาะก็มีทางตาล่ะนี่ ภาวนาเนี่ยเป็นการส่งไฟดังเลยมาเราถามไม่ได้นี่จับติดมันไว้มันลงก่อนเอากันมาถามนี้ดูลมแล้วอย่าลงไปไม่อย่าลงไปก็ให้รู้ว่าละเอียดลมปังจนกระทั่งลมมันหมดในความรู้สึกมันมีได้ผู้ปฏิบัติกําหนดลมเวลาน้ําหยาดก็ไม่ยอมเผลอเรื่องเรื่องไปในลมความละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปในความรู้สึก <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปจริงๆนะสังขารหนักไปเลยมีอะไรก็เรียกมันหลอกตรงนี้เพราะลมหายหนักไปเพราะเราเคยมีลมอยู่เป็นปกติยิ่งขณะนั้นกําลังพิจารณาลมอยู่ด้วยลมเบาไปเราฟังเราเบาไปแต่อย่างนั้นเท่าไหร่นั้นก็เห็นสักทันนี้ลมหมดไปในความรู้สึกมันก็มันจะไม่ทับนี่ตรงนี้แหละตรงที่เรียกจะหลอกต่อขอนะอ่ะพอลมหมดไปแล้วมันมันจะไม่ตายหรอนั่นที่ตกใจนะ ตกใจนั้นมันก็ว่าไปเขย่าหยิบดวงที่กําลังละเอียดเพราะอํานาจแห่งลมละเอียดและลำดับไปนั้นให้ฟื้นตัวกลับมาได้ได้การเป็นปกติแล้วลมก็เลยหยุดตามกลับขึ้นมาเพียงอย่างการพิจารณาก็ได้เพียงแค่นั้นพิจารณาทีละถ้าปัดมหันต์ไม่ได้มันก็ไปเพียงแค่นั้นเท่านั้นไม่เลยจากมันแต่ได้อย่างเพราะฉะนั้นทําเพื่อตัดปัญหาเรื่องขอบควรนี้อุปจาร สิ่ง 3 องค์เดิมนี้ก็จึงตัดสินใจลงให้มันเหมาะสมกันครับถึงว่ามหาจิตจะหาจะดับไปก็ให้ดับไปเถิดขึ้นที่ว่าจิตยังครองร่างอยู่แล้วไม่ต่างเท่านั้นนี่รวมกลับไปก็ยังรู้ว่านอมดับไปจิตไม่ได้ดับไปด้วยนี่จิตก็รู้ตัวอยู่นี่ยังครองร่างอยู่นี่สกายเท่านั้นเอาอะไรไม่ได้ดับอะไรไม่ผลก็ให้ดับไปไม่ติดความร่างอยู่แล้วไม่ต่างเท่านั้นมันก็พ้นคือมันตัดปัญหาได้เลยเพราะมีแต่มีประหมวด ครับถึงกระพุ่มสู่ความอยากเป็นที่หนักการพิจารณานี่เป็นความจริงเท่าหนักที่พิจารณาเป็นอย่างนี้ผมก็เคยพิจารณาอยู่แล้วอย่างหาต่อไปไม่ใช่เอามาสอนหมู่เพื่อนเฉยๆนี่พิจารณาเริ่มแรกกับพุทโธเป็นต้นไว้ก่อนขั้นต่อมามันก็ตามมันไปเองลมอะไรอย่างนี้มันไปหมดนั่นแหละกําหนดเป็นถึงเหตุถึงผลของมันกําหนดลมกอนี่เอาจนกระทั่งมันละเอียดจนกระทั่งมันหมดไปเลยลมเอาหมดก็หมด มันก็ตัดถึงใจกันหน่อยมันก็พร่องเลยจนมาทางตาขันธ์หยุดเหมือนกันลมหายไปทั้งการขายไปเลยสิ่งที่มันหายก็คือความรู้เหลือแต่จิตเท่านั้นแต่เราจะว่าจะคิดๆดันๆนั้นไม่ได้มีอะไรจะเก็บจะเจิงไม่ได้เหลือแต่จิตขึ้น 1 เท่านั้นไม่มี 2 อือมันมีอะไรคงเลยในขณะนั้นเงียบจริงๆขาดไปหมดเวทยะขาดนะความขาดทางสันเนต 3 ไม่ได้นักศึกษาเราตั้งในหลักปฏิบัติ เธอกระเทยสงฆ์ก็ยินว่าการไปปฏิบัติ 1 คนที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติเนี่ยเป็นภาพปฏิบัติทั้งนั้นผู้ฟังได้ฟังในภาพปฏิบัติจะเป็นค่าตามไหนในขณะที่ทําความเพียรวิเจริญอุปมานุกิริเป็นต้นอย่างเงี้ยจะเป็นค่าได้หมายผมก็เกิดขึ้นอย่างไรให้เราเป็นคนรู้เองเห็นเองอย่าไปปรุงไปแต่งเป็นครัญญาอะไรขึ้นมาจะเป็นเครื่องหลอกตัวเองหาผลประโยชน์ไม่ได้ตลอดไปเอาให้เป็นผลงาวอีกถ้าเกิดขึ้นมาเหมือนกันกับท่านก็ไม่เหมือนกัน พอมันเป็นที่เป็นก็ให้ทราบว่าเป็นของเราไม่ใช่ของท่านไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของใครเป็นคืออย่างนี้ก็สมบัติของเราเป็นอย่างนี้อ่าเรามีผ้าคล้ายๆเรามีสิทธิ์ท้ายๆเราไม่ได้เอามาหาเศรษฐีมาตั้งแต่ถ้าสมบัติที่มีที่เถิดมีอยู่สําหรับเราอันนี้ที่มันการผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติของเรามากเนาะก็ให้ถือเป็นสมบัติของเราเอาไปว่าไปเทียบเปรียบเทียงกับของคนอื่นจะเป็นการคล้อยเสยและทําลาย มันมาขึ้นนี้เสียไปมันเคยหาไม่สมไม่ได้และไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยอันนี้เป็นของพระพรรณมากมีหน้าที่นะเพื่อความสงบก็ให้ตั้งหน้าตั้งตาพิจารณาเพื่อความสงบมีหน้าที่อันเดียวต่อไปอย่างเดียวเพื่อความสงบแล้วไม่ต้องคิดถ้าต้องการความสงบไม่ต้องคิดนอกจากเป็นกรณีคือเศษดังที่กล่าวไว้ว่าไม่ให้สันดาปเวทนาธิอนัตเป็นกรณีที่เกิดยกมากับแบบสมถะ <c oughs> คือเป็นไปโดยปกตินั้นเมื่อต้องต่างความสงบทางพิจารณาแบบจะเป็นไปเพื่อความสงบที่เรียกว่าสมถะภายถึงการค้นทางหน้าสัญญาแล้วให้ค้นพิจารณาสร้างหน้าบรรดาธรรมดินกำหนดอันไหนให้รู้อันนั้นแยกอะไรให้เห็นประเด็นเด็ดต่างแยกต่างแยกให้ติดธรรมหน้าที่กำหนดอย่าส่งกันที่ไหนอย่าไปคาดกันหมายดูกันอยู่ตรงนั้นเห็นกันอยู่ตรงนั้นนี่คือว่าข้างหน้าต่างๆที่กันมาโดยบทธรรมไม่ต้องไป<อ> ถ้าแต่หมายถึงเกิดขึ้นจากปัญญาแบบแสบที่เด็ดประเภทต่างๆไม่ต้องกระทากเสียเวลาความท่านหมายมันเกิดประโยชน์นอกจากมันทําลายงานของเราให้เสียไปทั้งนั้นนี่ได้พิจารณามาแล้วจึงได้มาพูดให้หมู่พวกฟังไม่ได้พูดด้วยความด้นดานพิจารณามาแล้วถึงอยากบรรดาพิจารณาอยากให้หมู่พวกฟังจึงเป็นที่แน่ใจผู้แสดงเองก็แน่ใจทําไม่ผิดเคยเป็นมาอย่างนี้แล้วทิฏฐิผกังอะไรเจ้าทั้งก็เป็นมาแล้วเห็นแล้วก็เป็นครู <c oughs> ความถูกก็เป็นถูกอือก็จะอธิบายหรือพูดให้หมดคนฟังว่าอย่าทําอย่างนั้นมันผิดสิ่งที่ถูกก็เป็นถูกกันให้ทําอย่างนี้ถูกได้เคยปฏิบัติมาแล้วแบบนี้เคยรู้มั้นเห็นมาแล้วแบบนี้มันทับไปอาฐานทั้ง 2 อย่างเนี่ยครับสิ่งใดที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติตัวเองเพราะงั้นการท้าทายกันหมายถึงไม่ทะเลือกคือจะให้เกิดผลกระทบได้อย่างไรนอกจากมารบกวนงานของเราหรือพัฒนางานของเราให้เสียไป อำนาจที่ทําของตัวเองเพราะจิตปัญญาไม่ได้โง่คิดแต่ละเวลานะให้การเข้าใจถึงเวลาเต็มครอบเป็นหมุนเป็นสําคัญมากเพราะจิตปัญญาจะดิ้นขึ้นมาเองเป็นอัตตปัญญานะโถหาที่ซึ่งทางนี้ได้แล้วเราเป็นเป็นเราคนเดียวทํามีตาก็เราคนเดียวนี่แก่ที่ได้ใช้กรรมแต่ให้เราเราต้องใจมันติดผิดตรงไหนหรือล่ะนี้จิตมันไม่หมุนเกื้อเกื้อกันอ้าวทุกขเวทนาก็เกิดเกิดแต่ละที่หมุนกันถ้าเราเราจะฟัง พอได้แก่กับทางจริงก็เป็นความหมุนซื่อเข้าไปไม่พลั้งนั้นมันก็รู้ขึ้นมารู้ขึ้นมารู้ขึ้นมาด้วยความจริงนี้มันคัดเจ๋็จแจ้งและไม่มีวันหลงดืนด้วยนะการรู้ได้ความจริงหลงลืมได้ไงอันนี้ก็อย่างพระนามพระเสนก็พยายามจะโต้ปัญหากันพระท่านท่านรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเหลือรู้ในสิ่งที่ควรรู้ไม่รู้ในสิ่งที่น่ารู้ถ้าท่านจําได้หมดเนี่ยท่านท่านจําอะไรได้หมดเลยถ้ามีหลงดืนถ้ามีหลงดืนมั้ยท่านก็มีหลงดืนเหมือนกันคนทั่วๆไป สิ่งที่ว่าโดยมีมายามันมีคืออะไรคืออริยสัจนะท่านไม่รู้ไม่เห็นจะลืมไงอริยสัจจะจิตมันอยู่ด้วยสังสภาพวิญญาณครบอารมณ์อยู่ข้างหน้าแม้ครบด้วยมีทางอาการทุกข์ก็มีในร่างกายเรียนทับเปลี่ยนสมุฏฐานของร่างกายคืออะไรเดินมากก็เป็นสมุฏฐานให้ร่างกายใหม่นั่งมากก็เป็นสมุฏฐานหนึ่งให้ร่างกายหนึ่งนอนมากก็เป็นสมุฏฐานหนึ่งให้ร่างกายหนึ่งเป็นทุกข์นอนมากก็เป็นสมุฏฐานหนึ่งในร่างกาย อือก็ไอ้ทุกข์แม้แต่ภายในจิตของท่านนั่นมีสมุทัยเป็นเหตุมาพาคือสาเหตุให้เกิดความทุกข์เช่นกินของแสลงอาลัยมึงเข้าอากาศในเหมาะสมกับร่างกายกระทบกินท่าอากาศก็เป็นสาเหตุที่ได้เกิดทุกข์ขึ้นมานี่แต่ทําไมเรียกสมุทัยเพราะไม่ใช่กิเลสแต่เราพูดอันนี้พูดมาเก็บเต็มไปเถิดว่าสมุทัยของท่านทั้งว่านั้นว่าไร้ไร้คุณคือสาเหตุศูนย์นี่แหละแต่หมายว่าสมุทัยคือสาเหตุแห่งเกิดขึ้นแห่งทุกข์มันจะเกิด ตรงนั้นก็ก็ได้ละเป็นเป็นหวั่นเป็นอังเป็นท้องปวดหนต้องมีสิ่งเถแหลนสิ่งนั้นก็เผาะกระเทือนอันเป็นสาเหตุทีนี้ก็ต้องไทยของร่างกายก็มีเหมือนกันแต่ไม่เป็นสมุทรัยแบบนี้เลยนะแล้วฐานของเถแหลนนิรภาของเถแหลนแต่โลกอันนี้โลกกําเนิดเอ๊ะอันนี้ตัวโลกเพราะฐานนั้นมันรู้แล้วนั่นล่ะเป็นสมุทรัยเป็นสาเหตุรู้หมดกับทุกข์รู้อยู่แล้วไม่รู้อะไรหรอก นี่ก็จะทําทิ้งไปคือพระอาจารย์ท่านไม่มีวันลืมว่างั้นเลยคณะท่านนี่น่ะสิ่งไม่ลืมคือรู้คําจริงเต็มที่แล้วไม่มีวันลืมอันนี้เป็นความจริงแท้ของนั่นก็อยู่ทํานึกจํามีทําฝึกทําเขียนทําทําหลักทําหน้าถามบทนั้นมันลืมกันน่ะมั้งคําเนี่ยประคุณได้โปรดไปวิญญาณนิสารกันสัญญาวาจามีหติเนี่ยมีบอกกันเรื่องลืมลืมด้วยมันจําสังขารงานขันธ์มันเป็นหัวโลกขนาดนี้ อันบ้านอันโลกก็เป็นแบบเดียวกันจึงต้องดําเนินไปทางสายแห่งความเมียนจังตรังสภาคร่าวตลอดเวลาเหมือนกันหมดส่วนที่เป็นของท่านเองก็คือความบริสุทธิ์ของจิตอันนั้นมันมีความเปลี่ยนแปลงจึงยกอกุปปะธรรมคงเส้นคงวาทุกขเวทนาไม่มีในจิตของพระอรหันต์อือท่านครับที่เลิกดับไปแล้วทุกข์ไม่มีท่านไม่มีเวทนาตะลางสุขขังสู่นิพพานังตะลางสุขขังอันนั้นเป็นหลักธรรมท่านครับ ตัวครับคือทุกข์คือมันต่างหากไม่ใช่ทุกข์เวทนาเพราะทุกข์เวทนามีเกิดมีดับอืมถึงมีความมีดีมี나นี้ถึงต่างๆก็เกิดความทุกข์ความทุกข์ขึ้นมาภายในใจนี่เรียกว่าทุกข์เวทนาทุกข์เวทนาภายในใจแต่เมื่อใจตัดต้นตอคือสาเหตุและสัมพันธ์น่าจะอนิจจาหมดแล้วตั้งแต่ขณะนั้นน่ะคือคือทุกข์มันจำไม่มีเวทนาเลยมีอยู่ วิญญาณในร่างกายมันเป็นมาเหมือนกับโรคทั่วไปไม่ได้เป็นมาโรคหึขันธะอินทรีย์ทั้ง 6 มีหน้าที่การสัญญาการสังขารการวิญญาณทั้งเหมือนกันหมดก็สิทธิที่บริสุทธิ์ได้อยู่ที่กังนี้ทั้ง 6 อาการทั้ง 6 นี้ทั้งทุกข์ทั้งต่าง 1 อาการทั้ง 6 แสดงออกมาเป็นขันธ์รูปอะความตึงความใสสังขารขันธ์วิญญาณขันธ์มันก็เป็นขันธ์ 5 เสียความตึงความใสมันไม่ใช่ ธรรมะมโนสัจจิตเกิดขึ้นได้ว่าอาการของจิตจิตบริสุทธิ์แล้วมันก็เป็นที่เด็ดถ้าจิตไม่บริสุทธิ์เรานี่แลเป็นเครื่องมือของกิเลสที่ทํางานอยู่ภายในจิตแล้วเขาจะเถาลมจิตนั้นเป็นเมื่อเป็นกระผมขึ้นมาแล้วทุกหน้าว่ากับเขาจนจิตทั้งนั้นยุบหายแล้วความทุกข์สังสังสายทางจิตใจเป็นข้าตะจิตจะทําไม่ได้เพราะทุกข์เวทนามากอคราบน้ําจิตขึ้นนี่จิตจิตตัวเป็นคนไข้ที่มีจิตทั้งต้นทั้งรื้อทั้งตัวถึงตอบเสียงก็มี <_ t iny> มันคือกฎกตเวทีนั้นมันเหลี่ยมล้ำมากสติกับความสุญไม่หนึ่งพระอรหันต์ท่านไม่เป็นอย่างนั้นธาตุ 9 ก็สําคัญไปแล้วแต่ว่าเอ่อพ้นพ้นภัยนี่คือเรื่องสมมุติทั้งหมดมันเป็นภัยพ้นภัยนี่คือว่าพ้นจากสมมุติแล้วโดยที่เป็นไม่มีเหลือเหลืออยู่กับติดแน่นี้เหลืออตโมมันอยู่ได้ทีนี้เดี๋ยวไปเถอะอ่าที่ไปพุทธะก็คือทําอุปสมขาทําบริสุทธิ์นี้ก่อน การก็ยังอยู่ตรงถ้ากันไปอยู่กันไปรับที่เข้ากันไปมีจะได้อะไรจากร่างกายนี้แต่อยู่กับตั้งกับร่างกายก็มีส่วนได้อะไรจากร่างกายก็ไม่มีส่วนเสียอะไรจากร่างกายตัวมันทนได้หลายลักษณะตาก็ไปตามสภาพของมันที่เป็นการสถานะซึมเป็นสมมุติสมมุติที่มันจะสมมุติเราให้ชื่อธาตุอดิคือวิมุตติก็อยู่กันกับทางท่านนี้ตรงแต่ไม่ใช่อยู่แบบสมมุติข้างหลังเพราะฉะนั้นจึงว่านิพพานมีอยู่ในปุ๋นไปอันนี้คู่ไม่ได้ ก็พูดมาสมมุติเข้าไปทับกันมีอยู่มีอยู่แบบโรคก็ไม่เคยศูนย์ไปจากโรคก็ไม่เคยมีอยู่แบบอมภังค์ถึงไปแบบนิพพานน่ะถึงถูกอันนี้ถูกที่สุดกับความจริงพอโรคให้สมมุติก็ต้องเรียกว่ามีอยู่เหมือนกันแต่ไม่มีอยู่แบบนั้นมีแบบพื้นฐานอืมมีอยู่แบบนิโมตศูนย์กับศูนย์แบบนิโมตไม่ศูนย์แบบอื่นอย่างโรคสมมุติทั้งหลายก็ศูนย์กันศูนย์นั้นคือศูนย์ความที่ถ่ายต้นตื่นของศูนย์มีอยู่ก็มี ตั้งดอกหรือนั่นก็ไม่ไม่กระโดดอีนั่นเนี่ยที่ทําเป็นบ้านเป็นเมืองอย่างนี้ได้อ่ะถ้าเป็นบ้านเมืองก็เป็นถึงเมื่อนั้นดิบ้านเมืองก็เป็นบ้านเมืองแบบนี้พานอย่างเงี้ยแต่ใครจะไปกล้าตั้งชื่อว่าเป็นบ้านเป็นเมืองถึงดันมันท่องได้อ่ะเออเพราะมันเป็นผ่านนอกผมก็เนี่ยตัวยามบ้านช่องไหนมันเป็นเรื่องของหมู่ทั้งหมดพาซีนะมันไปเมื่อรู้แล้วมันจะเข้าใจเรื่องเรื่องนั้นแล้วก็ไปถามใครแม้ศาสนา กระทำอยู่ข้างหน้านี้ก็เถอะไม่ได้ประมาทพระองค์ท่านเราก็ทูลถามพระองค์ท่านสักนับครั้งอะไรก็สั่งว่าอย่างที่เราเข้าใจอยู่แล้วมีนี้แน่เท่านั้นไม่เป็นงั้นจะไปทูลถามท่านทําไมขออันเดียวกันรู้อยู่ด้วยการถามกันมีอย่างเหรอแน่เขาไม่รู้สนิทถามของสงสัยที่ไม่ถามมีไม่ได้สงสัยนี่รู้อย่างเต็มหัวใจและเป็นอารมณ์ข้างดาเหนียวของพระองค์เจ้าดังที่ท่านกล่าวว่านับที่ท่านเรียกว่าปาปิโย เพราะทั้งทั้งเตวทูตลงมาจนกระทั่งถึงทัพองค์สุดท้ายไม่มีความลึกน้อยต่างกันเลยในความบริสุทธิ์ทั้งหลายที่ท่านอยู่กับท่านองค์นั้นๆนอกจากอํานาจลักษณะที่ได้สร้างมาซึ่งเป็นปีกยอดหรือเป็นเครื่องประดับนั้นมีดวงน้ําต่างสูงต่างกันจึงได้ตั้งเอกาทะสงฆ์ตั้งเอกาทะให้สาธุลงหลายเกิดต่างกันผู้ใดที่เด่นในทางไหนมากก็ยกนั้นให้นั้นเช่นพระคาลีบุตร ก็มีปัญญาแค่เดียวขนาดเที่ยวทางมากขนาดปัญญาก็ยกพระที่ได้รูปนี้เป็นผู้มี 5 ทางปัญญาเนี่ยคําว่าคารมพอเหมือนเดินทางมีที่ปฏิหาริย์อืมมีปฏิหาริย์นี้ก็ยกให้พอเด่นกับเพื่อนนอกนั้นท่านก็มีแต่ไม่องค์นี้เด่นกว่ามนาสังขารหลายก็ยกให้องค์นี้เป็นเอตทัคคาเพื่อเลิศในทางนิสียนะทางตามเถรทําก็ยกกับท่านคุณมนัสตายไม่ เป็นธรรม 11 พวกท่านใดนี้ก็แค่เต็มนั้นหล่อนนั้นก็แค่เต็มเหมือนกันกันมีข้อเด่นกว่ากันตรงไหนก็ยกนั้นแหละอืมคือตามลักษณ์ลักษณะของท่านคําพูดนั้นเหมือนกันนะแล้วพูดนี้ความรู้นี้เนี่ยฟังนี้นี่แหละที่จะเป็นความอริยสัจก็คือพวกนี้ เราจะตะหามรรคนิพพานที่อยู่ที่ใดก็มีอยู่ที่ในที่แห่งใดนอกจากครูรู้มีเท่านั้นจะเป็นมรรคนิพพานเพราะกิเลสก็ห่มห่ออยู่ในตัวนี้ที่เป็นมรรคนิพพานไม่ได้เป็นตัวนั้นฉะนั้นจึงว่าไม่แค่จะหนีออกด้วยซึ่งเมืองกันสมัยคือมัชฌิมาปฏิปทาที่ทรงแสดงไว้แล้วอย่างถูกต้องแล้วจะเห็นความจริงก็จากตัวของเราโดยไม่ต้องมีการสถานที่ใดๆมาเป็นก้าวหน้าลักษณะบังกดขี่บังคับที่คั้นกามากไม่ได้เห็นมรรคนิพพานด้วยข้อปฏิบัติดีที่พระพุทธเจ้าทรงหนอนี่แหละ อคติและความทุกข์หรือหนองอ้อมันมึงอ้อหนองอ้ออ้อผมนี่เหรอผมนี่อ้อเป็นอย่างนี้เหรอความเป็นสุดอ้อเป็นอย่างนี้เหรอนิพพานเนี่ยสมาธิเป็นอย่างนี้หรือตํางาเป็นอย่างนี้หรืออันนี้หมดเป็นอย่างนี้หรือเนี่ยมันอยู่กันนี้ทั้งหมด 1 มันอยู่ที่แห่งใดเอ้าฟังไว้เลยถ้าเราจะได้ของที่เป็นมากครองเหลือเป็นแบบมันจะขี้หามจะขี้เนี่ย นามที่โลภที่โศกที่ 4 ลงที่เจ็บที่ข้ามอ่อนแอนั่นที่แย่นี่ก็ที่เป็นตัวมันวิเศษมั้ยล่ะนี่พระวิเศษโลกเนี่ยวิเศษกันหมดนะมันต้องเป็นพระวิเศษน่ะอันนี้อันนี้มันไม่วิเศษขึ้นในตัวตรัสอยู่นะอืออ่ะทํานายอุปาทนะ